แนะนำบทอิบรอฮีมบทอิบรอฮิมเป็นบทมัคคิยาหมี52องค์การที่ประมวลไว้ด้วยเรื่องของการศรัทธาในหลักการใหญ่ๆคือการศรัทธาต่อลอตต่อสารนห่งการเป็นศาสนาทูตและต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนความมุ่งหมายหลักของบทนี้เกือบทั้งหมดจะกล่าวถึงเรื่องของสารและศาสนาทูต การเรียกร้องเชิญชวนของบรรด า, าศาสนาทูตจะเป็นไปอย่างละเอียดความหมายของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งสารที่มาจากฟากฟ้าและบรรด า, าศาสนาทั้งหมดถูกทรงลงมาเพื่อดำรงการศรัทธาและชี้แนะประชาชาติของแต่ละยุคแต่ละสมัยให้ศรัทธาต่อพระพู้เปเจ้าอย่างแท้จริงและนำมนุษยชาติออกจากความมืดสู่ความสว่าง การเรียกร้องเชิญชวนของพวกเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีจุดมุ่งหมายเดียวกันบทนี้ยังได้กล่าวถึงสารของดบีมูซาอะัยฮิสามะเชิญชวนประชาชาติของเขาให้เคารพพักดีต่อรอรรถและขอบคุณพระองค์โดยยกตัวอย่างของประชาชาิที่ปฏิเสธการเรียกร้องของบรรดาศาสนาทูตในอดีเช่นประชาชาติของดบี้นัวประชาชาติของอาร์และสมูด ในบทนี้ยังได้กล่าวถึงบรรดาศาสนาทูตกับประชาชาติต่างๆหลายยุคหลายสมัยและได้กล่าวถึงการโต้แย้งระหว่างกันในช่วงุดพระองค์ทรงให้พวกอัตธรรมประสบกับความหายานาบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของวันเปราะโลกสภาพของคนชั่วระดับแนวหน้าได้พบกับบรรดาลูกน้องของพวกเขาและได้กล่าวถึงการสนทนาต่อว่าต่อขานระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง การสนทนาจบลงด้วยการเข้าไปอยู่ในนรกด้วยกันทั้งสองฝ่ายอีกทั้งการปรนนามของลูกน้องที่มีต่อวันหนาไม่ได้อํานวยประโยชน์อันใดเลยในที่สุดทั้งหมดก็ตกไปอยู่ในนรกยานหนักหลังจากนั้นยังได้ยกอุทาหรณ์เปรียบเทียบระหว่างคำพูดที่ดีคือคำพูดที่เกี่ยวข้องกับการศรัทธานั้นเปรียบเทียบสเสมือนต้นไม้ที่ดีออกดอกออกผลและการเดื้อรั้นเปรียบสเสมือนต้นไม้ที่อับเฉาไม่ออกดอก ออกผลระบทนี้ได้จบลงด้วยการเชีอเห็นถึงชะตากรรมของบรรดาผู้อาธรรมในวันแห่งการตอบแทนคือวันกิยามะด้วยพระนามของลอู้ทสงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสม อ, อ ขึนบอันัลละห์ุอลิลูลามรอคำพีที่เราได้ประทานลงมาแก่เจ้าเพื่อให้เจ้านำมนุษย์ออกจากความมืดสู่ความสว่างด้วยอนุญาตของพระผู้อิบานของพวกเขา สู่ทางแห่งพระผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ wa wa คือทางขอร้องซึ่งสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นของพระองค์และความหายน่าแห่งการลงโทษอย่างสาหัสจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา ا أ บรรดาผู้พอใจเลือกเอาชีวิตในโลกนี้เหนือวันประโลกจะปิดกั้นทางก่อร์และต้องการที่จะให้มันคดเคี้ยว ชน่วเหล่านี้แหละอยู่ในการหลงทางอย่างไกลวิบ และเราไม่ได้ส่งศาสนาทูตคนใดนอกจากด้วยการพูดภาษาเบียวกับกลุ่มชนของเขาเพื่อจะได้ชี้แจงแก่พวกเขาเอาลัลลอฮฺจะทรงให้ผู้ที่โปรง่งทรงประสงค์หลงทางและทรงชี้ทางแก่ผู้ที่โปรง่งทรงประสงค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายา แต่โดยแน่นอนเราได้ส่งมูซาพร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราโดยกล่าวว่าจงนำกลุ่มชนของเจ้าออกจากความมืดสู่ความสว่างและจงเตือนพวกเขาให้นำลึกถึงวันแห่งความโปรดปรานของเรา แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่ผู้อดทนผู้ขอบคุณทุกคน และจงจำลึกถึงขณะที่มูซากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าจงรำลึกถึงความโปรดปรานของลอตที่มีแต่พวกเจ้าเมื่อพระองค์ ส่งให้พวกเจ้ารอดพ้นจากวงวานของฟิรู่นโดยให้พวกเจ้าริ้มรถการทรมานอันชั่วชาและฆ่าลูกชายของพวกเจ้าและไว้ชีวิตผู้หญิงของพวกเจ้าและในการนั้นย่อมเป็นการทดสอบอันใหญ่หลวงจาก และจงจำเลือกถึงขณะที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าได้ประกาศว่าหากพวกเจ้าขอบคุณข้าจะเพิ่มพูนให้แก่พวกเจ้าและหากพวกเจ้านเนรคุณแท้จริงการลงโทษของข้านั้น และมมสาได้กล่าวว่าหาพวกเจ้าและผู้ที่อยู่ในแผ่นดินเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาถ้าจริงอัลลอะเป็นผู้ทรงพอเพียงผู้ทรงได้รับการสรรเสริญอย่างแน่นอน ألم يأتكم نبء الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم ر س ُ ل ه م بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إننا كفرنا بما أرسلته وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب เรื่องราวของบรรดาผู้ที่มาก่อนพวกเจ้าเช่นกลุ่มชนของนัวอาร์ ه, และสมูธ และบรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขายังไม่ได้มาถึงพวกเจ้าดอกหรือไม่มีผู้ใดรู้เรื่องของพวกเขานอกจากอัลลอฮบรรดาศาสนาทูตของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจง้งพวกเขาได้เอามือปิดปากของพวกเขาเองและกล่าวว่าแท้จริงเราได้ปฏิเสธศรัทธาในสิ่งที่พวกเจ้าถูกส่งมาคืออัลกุรอานและแท้จริง พวกเราอยู่ในการสงสัยอย่างแน่นอนต่อสิ่งที่พวกเจ้าเรียกร้องเราออทลกรางลกุรอานงทอัลุรอาองัลรานอบัลกุรอานข้อ25ของบทัลกรอานข้อ25องบทอัลกุรอานบุมอานของบทกุอานขอัลอนขขลกุมอาลกานอลุาทักุน إن أن บรรดาศาสนาทูตของพวกเขาได้กล่าวว่า มีการสงสัยในอัลลอฮ์พระผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินกระนั้นหรือพระองค์ทรงเรียกร้องพวกเจ้าเพื่อจะยกโทษในความผิดของพวกเจ้าและทรงผ่อนผันพวกเจ้าจนกระทั่งถึงวาระที่ถูกกำหนดไว้พวกเขากล่าวว่าพวกเจ้ามีใช่อื่นใดนอกจากเป็นมนุษย์เยี่ยงเราพวกเจ้าประสงค์ที่จะกีดกันพวกเราออกจากสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเราเคยเคารม บ, บูชา ดังนั้นพวกเจ้าจงนำหลักฐานอันชัดแจ้งมาให้พวกเราเถิด <S ess iz uki> วลบรรดาศาสนาทูตของพวกเขากล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเราไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นมนุษย์เยี่ยงพวกเจ้าแต่าว่าอัลลอฮ์ทรงโปรดปรานผู้ที่ปรงทรงประสงค์จากพวงบบาวของปรงุงไม่บังควรแก่เราที่จะนำหลักฐานมาแสดงแก่พวกเจ้าเว้นแต่โดยอนุมัติของอัลลอฮ์เท่านั้นและแด่อัลลอ์เท่านั้น บรรดาผู้ศรัทธาพึงมอบความไว้วางใจเถิดแล้วทำไมเราจึงไม่มอบความไว้วางใจแด่ และแน่นอนพระองค์ทรงชี้ทางนาทั้งหลายแก่เราและเราจะอดทนต่อการที่พวกเจ้าทาร้ายเราและบรรดาผู้มอบความไว้วางใจจงมอบความไว้วางใจแด่เอาร้อนเท่านั้น รั ا إ uh บบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรด า, าศาสนาทูตของพวกเขาว่าแน่นอนเราจะขับพวกเจ้าออกจากแผ่นดินของเราหรือว่าพวกเจ้าจะกลับไปอยู่ในาศาสนาของเราดังนั้นพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะทรงประธานองค์การให้แก่พวกเขาว่า เราจะทำลายพวกอธรรมอย่างแน่นอนและแน่นอนเราให้พวกเจ้าพำนักอยู่ในแผ่นดินหลังจากพวกเขานั่นสำหรับผู้ที่กลัวการเผชิญหน้ากับข้าและกลัวสัญญาณการโทษของข้า และวพวกเขาบรรดาศาสนาทูตขอต่อพงให้ได้รับชัยชนะและให้ผู้หญิงพยองที่ดือนน้อดึงทุกคนประสบกับความพินาี จากเบื้องหลังของพวกเขาคือนรกยานนำและจะได้ดื่มน้ำจากน้ำหนอง เขาจิบมันแต่ไม่อาจกลืนมันได้และความตายจะมาหาเขาทุกทิศทางโดยที่เขาก็ไม่ตายและเบื้องหลังของเขาคือการลงโทษที่รุนแรง อุปมาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาการงานของพวกเขาอุปมาเหมือนขี้เถ้าเมื่อลมพัดมันไปอย่างแรงเมื่อวันที่มีพายุโดยที่พวกเขาไม่มีอำนาจในสิ่งที่พวกเขาแสวงหาไว้แต่อย่างใด น, นั่นคือการหลงทาง ตรนนลลฮเจ้าม่ได้เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอลัลลอฮ์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผนดิตด้วยความจริงหากพระองค์ทรงประสงค์พระองค์งก็จะทรงให้พวกเจ้าสูญสิ้นไป และจะส่งนำกลุ่มชนรุ่นใหม่ม า, มา ز ز และในการนั้นไม่ใช่เป็นการยากแก่เรา إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم م غ ن و ن عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من และพวกเขาได้ออกมาพร้อมกันต่อหน้าอัลลอฮ์พวกอ่อนแอกล่าวแก่พวกหัวหน้าว่าแท้จริงพวกเราเป็นผู้ตามพวกเจ้าพวกเจ้าจะช่วยพวกเราได้อย่างไรให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์พวกเขากล่าวว่าหากอัลลอฮ์ทรงชี้ทางนำแก่เราแน่นอนเราก็จะชี้ทางนำแก่พวกเจ้ามีผลเท่ากันสําหรับเราถึงเรากระวนกระวายหรืออดทน สำหรับพวกเรานั้นไม่มีทางรอดไปได้ وقَالَ الشَّيْطَانُ ل َ م َ ا قُضِيَ ا ل أ َ م ر ُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ و َ و َ ع َ د ت ُ ك ُ م ْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ, أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرت م و ن ِ من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم และชวยตอนได้กล่าวเมื่อการงานได้ถูกตัดสินแล้วว่าแท้จริงอโลอนั้นได้ส่งสัญญากับพวกเจ้าซึ่งเป็นสัญญาแห่งความจริงและฉันได้สัญญาแก่พวกเจ้าและฉันได้บิดพริ้วพวกเจ้าฉันไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเจ้านอกจากฉันได้เรียกร้องพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็ตอบสนองฉันดังนั้นพวกเจ้าอย่าได้ประนามฉันแต่จงประนามตัวของพวกเจ้าเองเถอ ฉันไม่อาจร้องทุกข์แทนพวกเจ้าได้และพวกเจ้าก็ไม่อาจจะร้องทุกข์แทนฉันได้แท้จริงฉันได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่พวกเจ้าตั้งฉันให้เป็นภาคีต่อรอแต่ก่อนนี้แท้จริงบรรดาผู้อาธรรมนั้น สำหรับพวกเขาคือการลงโทษอย่างเจ็บปวด ال แล้วบรรดาผู้สรัทธาและการกระทำความดีทั้งหลาย ได้ถูกนำเข้าสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างโดยพำนับอยู่ในนั้นตลอดกาลด้วยอนุมัตจากพระผู้อวิบาลของพวกเขาการกล่าวคำนับทักทายของพวกเขาในนั้นคือสันติอลัมรครบัลลมทต้ยบจรตินตยบอัลาบิ เจ้ามีเห็นดอกหรือว่าอัลลอฮ์ทรงยกอุทาหอด้วยว่าอุปมาคำพูดที่ดีดังอุปมาต้นไม้ที่ดีรากของมันฝังแน่นมั่นคงและกิ่งก้านของมันชูขึ้นไปในท้องฟ้า ิผลของมันจะออกมาทุกกาลเวลาโดยอนุมัติของพระผู้อภิบาลของมันและวลอทรงยกอุทาหนแก่พวกมนุษย์ เ พ, พวกขลและอุปมาคำพูดที่เลวดังอุปไมารต้นไม้ที่อับเฉาถูกถอนรากออกจากพื้นดิน มันไม่มีความมั่นคงเลยุบตุอัลลอฮีนาอมบิลกอลิบิฟิลฮยติดุวะฟิลอาิรยุดลลุลลอฮ่ิมนวยัฟุลลอฮมยาชอัลลอฮจะทรงให้บรรดาผู้ศรัทธามั่นได้คํคำกล่าวที่มั่นคงในการมีชีวิตอยู่ทั้งในโลกนี้และในปรโลก เราล่อทรงให้บรรดาผู้อาธรรมหลงทางแเราล้อทรงกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าบรรดาผู้เปลี่ยนแปลงความโปรดปรานของอัลลอฮ์เป็นการปฏิเสธศรัทธาและได้นำกลุ่มชนของพวกเขาเข้าสู่ที่พานักอันหายนะ จเฮนน์น ص ้นไม่ย้อน ا ลับแลวิ้วส์คคือนรกยหันนำที่มีเปลวไฟร้อนจัดและมันเป็นที่พมนักอันชั่วชาย์วจานูอลลัลลาฮีอันดัดเดลียุดลอัลสบิลิฮ์อัลเตมต์อูฟ์อินนัมาซีรักุมอิลัน และพวกเขาได้ตั้งพาคีต่อละเพื่อให้พวกเขาหลงจากทางพระองค์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงร่าเริงกันเถิดเพราะแท้จริงทางกลับของพวกเจ้าย่อมไปสู่ไฟนรก วิญฟกุมิมมารักหนาหุมสิขรุว่าลีนเ่เฒมิ่กบร์เอย์ที่จยุโม่ลาบิ่งฟีห์วลาคลาลัลจงกล่าวเถิด ม, มูฮัมหมัดแก่พวมบ่าผู้ศรัทธาของข้าว่าให้พวกเขาปฏิบัติละหมาดและบริจาคสิ่งที่เราได้เป็นปัจจัย อย่างจีบแก่พวกเขาอย่างลับๆและอย่างเปิดเผยก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึงซึ่งไม่มีการซื้อขายในวันนั้นและไม่มีการเป็นมิตรใดม Allah ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและทรงให้น้ำลงมาจากฟากฟ้าและทรงให้พืชผลงอกเนยออกมาด้วยน้ำนั้นเพื่อเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและทรงให้เรือเดินสมุทรมีความสะดวกแก่พวกเจ้า เพื่อใช้แล่นในทะเลโดยพระบัญชาของพระองค์และทรงให้แม่น้ําทั้งหลายเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าและพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าโดยโคจรเป็นปกติ และทรงให้กลางคืนและกลางวันเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าและพระองค์ทรงได้ประทานทุกสิ่งแก่พวกเจ้าตามที่พวกเจ้าขอต่อพระองค์ หาพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานของอัลลอ์และพวกเจ้าก็ไม่อาจจะคำนวณมันได้แท้จริงมนุษย์นั้นเป็นผู้อารรมยิ่งเนรคุณยิง่งและจงดำลึกถึงเมื่ออิบราฮีมกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ขอพระองค์ทรงให้เมืองนี้คือมักกะปลอดภัยเถิดและทรงให้ฉันและลูกหลานของฉันพ้นจากการบูชาจเจว็ดด้วยเถิดโอ้พระผู้บายของฉัน แท้จริงพวกมันได้ทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่ <yat. S 2> หลงทางดังนั้นผู้ใดปฏิบัติตามฉันแท้จริงเขาเป็นพวกของฉันและผู้ใดฝ่าฝืนต่อฉันแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอรับบนาอินนีอสกันตุมินดุรรีทีบิวาดินไกรดีซาร์เงินเดเยติกะลุมฮะร์ม รรลลกวโอ้พระผู้ยบานของเราแท้จริงฉันได้ให้ลูกหลานของฉันพำนักอยู่ณนะที่ราบลุ่มนี้โดยไม่มีพืชใดๆซึ่งอยู่ใกล้บ้านอันเป็นเขตห่วงห้าม ของพระองค์โอ้พระผู้อภิบาลของเราเพื่อให้พวกเขาปฏิบัติละหมาดขอพระองค์ทรงให้จิตใจจากปวงมนุษย์มุ่งไปยังพวกเขาและทรงประทานปัจจัยอย่างชีพที่เป็นพืชผลแก่พวกเขาหวังว่าพวกเขาจะขอบคุณรับบนาอินนัก ت ล ل ุมาุะขีวมามัลลิม วโอ้พระผู้อภิบาลของเราแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่เราปิดบงังและสิ่งที่เราเปิดเผยไม่มีสิ่งใดจะซ่อนเร้นไปจากอัลลอ์ทั้งในแผ่นดินและในชั้นฟ้า الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ผู้ไ <Prize> ด้ประทานอิสมาอิลและอิสฮะแก่ฉันขณะที่ฉันอยู่ในวัยชราแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉัน เป็นผู้ทรงได้ยินการมิงวอนอย่างแน่นอนโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงให้ฉันและลูกหลานของฉันเป็นผู้ปฏิบัติละหมาดโอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ทรงตอบรับการมิงวอนของฉันด้วยเถิด ي ي รับนักรัินะกบุลของเราขอพระองค์ทรงอภัยโทษแก่ฉันและแก่บิดามารดาของฉัน และกาบรรณาผู้สรัธาในวันที่การสอบสวนจะมีขึ้นและเจ้าอยากคิดว่าอัลลอทรงละเลยต่อสิ่งที่พวกอาธรรมปฏิบัติแท้จริง พระองค์ทรงประวิงเวลาให้พวกเขาจนถึงวันที่สายตาจ้องมองไม่กระพริบในวันกิยมามะพวกเขาเรีบเร่งเงยศีรษะของพวกเขาขึ้นในตาของพวกเขาไม่กระพริบ และจิตใจของพวกเขาเมื่อลอย ظلموا ظلموا ربنا ربنا تك และจงเตือนผู้คนถึงวันที่การลงโทษจะมาอย่างพวกเขาบรรดาผู้อาธรรมกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราโปรโดประวิงเวลาแก่เราจนถึงกำหนดอันใกล้นี้เพื่อเราจะได้สนองตอบการเชิญชวนของพระองค์ และเราจะปฏิบัติตามบรรดาศาสนาทูตและพวกเจ้ามิได้สาบานก่อนนี้ดอกหรือว่าพวกเจ้าจะไม่สูญสลาย